เหล่านี้มันร้วนตั้งแต่จิตที่ไม่ได้สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจทั้งนั้นเลยคุณธรรมในที่หมายเอาธ ร, รมที่ชอบอย่างในมรรคมีองค์แปดประการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขภัย ใ, ในสงสารได้เช่นนี้คนส่วนมากก็ปฏิบัติตามไม่ได้อย่างเช่นในข้อสีละสิกขานี่ก็ทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่ชอบโกงคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพ แล้วก็เว้นจาก ก, การเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามอย่างนี้นะถ้าผู้ใดเว้นตามนี้ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กระทำความดีความชอบด้วยกายวาจาใจในขั้นหนึ่ง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 มันเป็นอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยสีน่นี้บัา น, นี้บางคนก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ไปในทางทุจริตส่อโกงหลอกลวงจี้ปล้นอะไรอย่างนี้นะบางคนก็แสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตมาให้เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่จึงเรียกว่าเป็นทางสายกลาง เกี่ยวกับทำการทำงานทำหาเรื่องฉีดในการพูดการจากรกพระองค์กสอนอย่าพูดเท็จอย่าพูดซอเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพอ้เอเจ้อเลี้ยวไรพูดแต่คำจริงพูดแต่คำสมานม่ตรีจิตอิตรภาพต่อกันและกันพูดแต่คำอ่อนโยนอ่ อ, อนหวานต่อกันและกัน ไม่พูดพร่ำไปทั่วหาประโยชน์ไม่ได้ท้นานเลวพูดเพ้อเจอ้อพูดไปไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไปตามอารมณ์ของกิเลสก็เมื่อเว้นวาจาทุจริตสี่ประการนี้ได้ประพฤติวาจาสุจริตเข้าไปเช่นนี้มันก็สอดแสดงถึง จ, จิตใจนั่นแหละ เพราะว่าวาจาจะพูดออกมาได้มันก็เพราะใจเป็นผู้วงการแม้กายจะทําการงานอะไรผิดหรือถูกมันก็อยู่ที่ใจเป็นผู้วงการดังนั้นถ้าใครเป็นผู้มีความประพฤติชอบทางกายทางวาจาตามหลักองค์มรรคนี่แล้วก็ ส, สอดแสดงถึง จ, จิตใจนั่นว่าเป็นผู้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 เมื่อสํารวมในสินได้แล้วอย่างนี้จนว่าเป็นปรมัมทาสินสินยิ่งอย่างนี้นะเมื่อเป็นสินยิ่งแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสินดีอย่างนี้ย่อมมีใจเบิกบานแลวพนี้ก็ย่อมมองเห็นว่า ไอ้ลาพังแค่ศีลเท่านี้มันก็ยังกาจัดกิเลสส่วนกลางหรือส่วนละเอียดให้ห ม, หมดไปไม่ได้มันจะกาจัดได้แต่กิเลสส่วนใหญ่เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความกระตือรือล้นอยากเจริญสมาธิภาวนาทําจิตใจสงบระ ง, งับแล้วเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น าความประสงค์กมมุงอยากแก้คำจัดกิเลส ท, ทุกประเภทให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่ถ้าผาคเพียนไปมันไม่หมดอายุหมดไปเสียกรอนอย่างนี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีเมื่อกิเลสมันเหลือน้อยแล้วนั่นแหละในตำราท่านจึงกล่าวว่า เมื่อผู้ได้มาฟังธรมธรมะคำสอนของอุคเพระเจ้าและพิจารณาตามไปโดยลำดับสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละเพื่อนก็ละไปสิ่งใดสงสอนให้เจริญให้เกิดให้มีท้งหดเจริญไปในตัวในขณะฟังอยู่พอจบธรรมเทศนาลงก็ได้บรรลุมขผนธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตน ไอ้ที่เป็นทั้งนั่นก็พอเหตุว่าแต่ชาติก่อนมาท่านก็พยายามบำเพ็ญองค์มรรคอันมีแปดประการนี่แหละให้ดำเนินไปได้ถูกทางเป็นทางสายกลางมาเจริญสมาธิภาวนามาแต่เมื่ออินทรีย์อ่อนโยก็ยังไม่สามารถจะบรรลุผลได้ ก็เมื่อบําเพ็ญอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากแล้วพอมาชาตินี้พระองค์แสดงธรรมันก็จึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้เพราะว่าบุญกุศลมันมากแล้วกิเลสมันน้อยลงเพราะว่าได้ภาคเพียนละมันมาแต่ก่อนนี่เมื่อบุญกุศลมันมากก็กิเลสบุญกุศลนี่มันก็คาจัดกิเลสให้หมดไปได้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 สติคือความระลึกได้ระลึกดูจิตระลึกดูกายสมปัจฉญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีรู้ว่าจิตนี้พิจารณาร่างกายอยู่เห็นร่างกายตามเป็นจริงโยคือมัเคยพิจารณามาอย่างไรเคยรู้เคยเห็นความเป็นจริงของร่างกายอย่างไร ก็กำหนดกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ตามนั้นเอเรื่องธรรมะหรือว่ากรรมฐานไม่ใช่เปลี่ยนเยื่อยไม่ใช่ของใหม่เรื่อยไปที่จริงก็ของเก่านั้นแหละแต่ของเก่านั้นจิตยังไม่รู้ยิ่งเต็มที่มันก็ยังปรองไม่ได้วางไม่ลงนี่อย่างนั้นดังนั้นน่ะก็จึงต้องภาคเพียไม่ย้ำเพ่งพินิษฐ อยู่เรื่อยไปเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงของร่างกายของนามของรูปเมื่อเห็นเข้าไปมากๆเข้าไปมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่าความจริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่น่าจะไปหวงเห็นในรูปในนามอันนี้นะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทางนั้นล้วนแต่ต้องได้เยียวยารักษา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 เป็นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนั่นเนี่ยแต่มันก็เป็นอยู่ได้เราอาศัยปัจจัยสี่บำรุงร่างกายนี้ให้มีกําลังเรี่ยวแรงเป็นปกติแล้วเราก็ทําความดีเข้าไปทําความเพียรเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไปนอย่างนี้เมื่ก่อรับว่าเป็นความเกิดที่มีประโยชน์ ไม่เกิดเสียเปล่าไม่เปล่าจากประโยชน์เพอ่งนั้นเพราะนั้นการที่เราทำความภาพเพียรพยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้แกีกล้าเป็นขั้นเป็นตอนไปทีแรกก็ฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวรู้ว่าเราทำอะไรพูดอะไรผิดหรือถูกถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะนี่กากับอยู่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 แต่เขาก็พูดปรำปราไปอย่างนี้นะมันก็ผิดธรรมเลยผิดธรรมข้อที่ว่าพูดเพ้อเจ้อนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องมีสติสมัติชนะรู้อาการกายวาจานี่เสมอเ ส, สมอไปว่าตนทําอะไรพูดอะไรไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมพูดก็มีเหตุมีผลพูดพอประมาณอย่างนี้ เมื่อมีสติสมัมปชัญญะรู้ตัวอยู่นี่ใจมันก็เอื้อิีมเบิกบานอยู่เรื่อยไปเนี่ยแต่ขั้นสิล น, นี่นะมันก็ยังได้รับความเบิกบานแล้วเมื่อบำเพ็ญขั้นสมาธิเข้าไปแพง้งจิตให้สงบแนบแน่นเข้าไปขวัวสิล น, นั่นอีกเออย่างนี้มันก็ยิ่งได้ความสุขความสบายใจมากขึ้นละเอียดปรณีตเข้าไป แต่เราจะไปอาศัยแต่ความสงบระงับอันเกิดจากสมาธิเท่านี้ก็ยังไม่พอเอด็ดท่านพระสาตตะดาจึงได้ทรงสอนให้อบรมความคิดความเห็นให้ชอบให้ถูกตามความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาณเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่บุคคลจะเห็นอริยสัจสี่ได้ มันก็มีการอบรมจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยจนว่าใจเข้มแข็งหนักแน่น อ, อยู่ด้วยกุศลธรรมเป็นอย่างดีเมื่อควบคุรรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้ดีอย่างว่านั้นแล้วก็หมายความว่าจิตใจเป็นสมาธิ สมาธิในที่นี้ไม่ไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิอยู่เท่านั้นแม่ออกจากสมาธิมาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่ตั้งมันอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งไปสม่มเสมอไปอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติสม่มเสมอแล้วสมาธิถึงจะไม่เสื่อม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 มันก็จะตั้งสงบอยู่ภายในจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสันธานวัต น, นะอะไรเลยมีความรู้สึกเท่านั้นเป็นเครื่องหมายของจิต ด, ดังนั้นการที่เราภาวนาเราก็มุง่งเพ่งลมหายใจเข้าออกน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึก น, นั่นแหละ ความรู้สึกคือจิตนี่เมื่อสติยั่งเข้าไปถึงแล้วมันสงบทันทีมันไม่พุ่งสั้นไปที่อื่นแล้วไอ้จิตใจที่มันพุ่งสัานไปห้ามไม่หยุดหมู่ดันมันล้วนตั้งแต่ไม่มีสติคุ้มครองปล่อยสติให้มันเลื่อนลอยไปทางอื่นมันเป็นยังไง ท, ทุกคนก็ไม่ควรจะสงสัย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 นี่นี่เรียกว่าการเจริญสมถะคือพยายามทำใจให้สงบเราไม่มุ่งหวังว่าจะต้องการรู้อะไรก่อนในขณะนั้นนะมุ่งแต่ให้ใจมันหยุดนิ่งไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไปในที่อื่นเท่านั้นเองการทำจิตให้นิ่งให้สงบนี่นัว่าสำคัญมาก บางคนก็ว่าไม่สำคัญเท่าปัญญาปัญญาสำคัญกว่าเพราะปัญญานี่มันสามารถสอดส่องมารู้จริงเห็นแจ้งได้สมาธินันเพียงแต่เข้าไปสงบอยู่เฉยๆไอ้ผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นมันเห็นไปไม่ไปตามขั้นตอนการบำเพ็ญทางจิตใจนี่มันต้องมีขั้นตอนน่ะ การที่จิตจะเป็นสมาธิได้ก็เพราะมาจากศีลการทำศีลให้บริสุทธิ์ละบาปอากุศลต่างๆออกจา ก, ก จ, จิตใจออกจากกายวาจาให้ได้เช่นนี้แล้วไยบำเป็นสมาธิสมาถะมันก็จึงสงบลงได้จิตนั้นน่ะถ้าหากความไม่สำรวมในศีลในบริสุทธิ์แล้วปล่อยให้จิต เกิดอกุศลจิตขึ้นมาอย่างนี้นะสะสมบาปธรรมไว้ในใจอย่างนี้ไม่มีทางนะที่มันจะภาวนาจะทําใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้พอน้อมสติเข้าไปหวังว่าจะประคองจิตให้สงบลงไอ้นี้บาปอากุศลมันก็มาแทรกแซงทันทีมาขัดขวางอมันให้เกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้าง บางทีมันก็ให้เกิดความง่วงเหงาหงาวนอนบางทีมันก็ให้เกิดความหุ้งซ่านหรือสงสัยลังเลอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะนี่แหละมันบาปประธรรมมันมาสกัดกั้นจิตไว้ไม่ให้รวมลงได้ให้พึงเข้าใจดังนั้นเมื่อผู้ใดภาวนาเห็นว่าจิตใจเขาทน ไม่ตั้งมั่นลงไปได้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก่ให้กลัวดูสินเมื่อเห็นศินบกพร่องด่างพร้อยอะไรไม่ถึงกับขาดก็ตามด่างพร้อยหรือว่าสินขาดข้อไดข้อหนึ่งอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจสมทานศินนั่นเสียการสมทานศินนี่สมทานโดยตนเองก็ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว สมทานโดยตนเองในเมื่อตนพิจารณาเห็นความบกพร่องในสินที่ตนรักษามาอย่างนี้นะเพื่อให้มันละบาปอากุศลได้ทันทีแล้วก็อธิษฐานใจสมทานมั่นลงไปต่อนี้ไปเราจะไม่ล่วงสินเหล่านั้นไม่ให้มันเศร้าหมองขุนมัวให้มันเป็นสินอันบริสุทธิ์ต่อไปแล้วส่วนใดที่มัน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 ใจมันก็เบิกบานผ่องแพ้วขึ้นมาทีนี้ บ, บาปอกุศลที่ตนรุ่มหลงท ร, ร ม, มันนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปค่อยสงบลงไปอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมก็พึ่งพากันกรวดการดูสินนี่ให้มากๆทีเดียวถ้าหากว่าไม่ใส่ใจเรื่องสินแล้ว การเจริญสมาธิการเจริญปัญญาก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นน่ะผู้เทศ น, น์แนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะควรจะแนะนำไปโดยลำดับอย่างนี้ไม่ควรที่จะกระโดดไปเอาปัญญาทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ทาสมาธิก็สงบลงไม่ได้เมื่อจิตสงบไม่ได้ปัญญามก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกัน มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าจะอุปมาแล้วก็สมาธิในเหมือนกับสวิตช์ไฟฟ้านั่นเองเมื่อช่างไฟฟ้าเขาประกอบไฟสายขึงสายแล้วติดหลอดติดสวิทช์เข้าไปติดอุปกรณ์ต่างๆให้ครบครันนั่นเปรียบได้กับศีล วันนี้การที่นาช่างเขามาติดสวิทไว้สวิทปิดเปิดได้ปิดได้เปิดได้อันนั้นเปรียบได้กับสมาธิการปิดไว้นั้นเรียกว่าการทำใจให้สงบเป็นปกติอยู่ไม่ต้องการคิดนึกอะไรในขณะนั้นมเมื่อเกิดถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาต้องการจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างไร ขึ้นมาแล้วก็นึกคิดถึงเรื่องนั้นๆพอนึกคิดเรื่องนั้นขึ้นมาได้ปัญญามก็โผล่ขึ้นมาวินิจฉัยเรื่องที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นให้รู้ให้เห็นโดยเฉมแจ้งออกไปเนีเ่ยเปรียบเหมือนเราบุคคลต้องการแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ไปกดสวิตปมันอย่างนี้นะไฟก็วิ่งเข้าไปในโหลดก็ส่องแสงสว่างออกมา ในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ตามเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อบุคคลทำใจสงบเป็นสมาธิแล้วอย่างนี้นะเรีวยกว่าสมาธิมั่นคงรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นด้วยดีไม่งอนแง่ไม่คลอนแครนอย่างนี้น ะ, ะแล้ววันนี้ตนต้องการจะพิจารณาเรื่องอะไรจะรู้แจ้งในเรื่องอะไรอย่างนี้ พอกาหนดเรื่องนั่นขึ้นมามันก็ปัญญามันก็ฉายแสงออกมาทันทีนี่ก็ขอให้เข้าใจตามนี้การบำเพ็ญทางกิดใจการเจริญสมถาวิปัสนาหรือว่าการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็ดีหรือการเจริญมักมีองค์แปดประการก็ดีมันก็สงเคราะห์เข้าในกายในวาจาในใจในทั้งนั่นแหละ สมาธิการทําใจตั้งมั่นเนี่ยก็มันก็หมาความว่ า, าเพ่งใจในโดยตรงเลยไม่ต้องรู้อะไรอื่นนอกนั้นน่ะวันนี้ปัญญาเนี่ยมันต้องการรู้วันนี้นะสิ่งใดมันลี้ลับอยู่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนอย่างเช่นทุกข์อย่างนี้นะก็ไม่เคยรู้ไม่เคยพิจารณามาแต่ก่อนทุกข์นั่นหมายเอาอะไรทุกข์นั้นมีกี่อย่าง ถ้าว่าโดยรวบลัดแล้วทุกนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือทุกกายหนึ่งทุกใจหนึ่งอย่างงี้เอาทุกกายนั้นอย่างไรอ่ะทุกกายนั้นเพราะร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั้นแต่ถึงความลุงด้วยปัจจัยสี่อยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ถึงข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้น อยนี้ถึงข่าวที่มันจะชะ ล, ลาสุดโทมลงไปมันก็สุดโทมลงไปแล้วจะบำรุงด้วยปจัจจัยสีอันประณีตบรรจงสักเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังอ่านี่แหละเมื่อมันสุดโทมไปอย่างนี้แล้วร่างกายนี่ย่อมกระวนกวายและอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนและทุรนทุราย อันอาการที่ร่างกายมันสงบระ ง, งับอยู่ไม่ได้มันแปลสภาพไปอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าทุกข์กายไอ้ทุกข์ใจเพราะใจไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าขันทั้งห้าอันนี้แล้วไปหลงยึดถือสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเขเราอย่างนี้นะเมื่อขันห้านี่มันวิบัตลิลงมันก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าขันห่านี่มันไม่มีวิบัติแปลปวน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 ตามสมัยนี้ย ม, มนั่นแหละเงินทองมีเท่าไหรก็จ่ายไปค่าเครื่องแต่งตัวแล้วไม่ใช่น้อยแต่ละเดือนละเดือน่ะอย่างงี้มันก็เป็นทุกข์สิบ่ะนี้นะทุกข์เพราะหาเงินและหาเงินมาซื้อเครื่องสมอางต่างๆเครื่องประดับประดาทาต่างหมู่นี้นะนี่แหละเรียกว่าตัณหาความอยากมันมีอวิชชาความไม่รู้นั่นเป็นเพื่อนแบบนี้นะ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 เดือดร้อนอย่างนี้นะเนี่ยที่พระศาสดาทรงตรัสว่าตันหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บันี้ตันหาอีกประเภทหนึ่งนั่นทันหาอยากอยากไปในทางบาปอคุศลอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก่ามุสาวาต ด, ดื่มสุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโรอีนอะไรต่างๆพวกนี้อยาก เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นรวมทั้งเบียดเบียนตนด้วย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> การดืร่มเหล้ามอสุรามันก็เบียดเบียนตนโดยตรงนั่นแหละ <Yeah. S 2> แต่เบียดเบียนผู้อื่นโดยทางอ้อม <Yeah. S 2> นี่เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยบาปอากุศน <Yeah. S 2> ถ้าผู้ใดไม่ละความอยากอันนี้ออกจากจิตใจแล้วความอยากอันนี้แหละจะพาจิตวิ ญ, ญญาณของผู้นั้นไปสู่นรกอบายภูมิ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 สมถูกกับสามีหรือภรรยาคนอื่นเข้าเมื่อฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งรู้เข้านี่ก็ทุกข์ใจคาบแขนใจบางทีก็เลยแตกแยกกันไปเลยอย่างนี้นะได้ตกทุกข์ละกรรมลำบากเพราะความเป็นผู้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนั่นเองนะอย่างนี้แหละเดี๋ยวการที่บุคคลไปพูดหลอกลวงส่อเสียด โยงเอาสมบัติของผู้อื่นเป็นของโทวงก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเาเจ้าของรู้เขา้าเขาก็เสียใจเขาก็ทุกข์ใจลําบากใจเดิมเล่าเมาสุราอันนี้ทําตนเองให้เป็นทุกข์โดยตรงเลยแล้วไปก่อการทะเลาะกับผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทาให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ไปด้วยเมือ่อใดนะเมื่อไปทําทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้ว เช่นนี้ทุกนั่นมันก็ยยอนมาถึงตอนไอทําทุกข์ให้ผู้อื่นนี่ยังพอทําเนา่าเพราะมันไม่ได้ทุกขอยู่นานบางทีก็ตายไปไ ว, ไว้บางทีก็ทรมานอยู่นานหน่อยแต่เมื่อเวลากำชั่วมันนำไปสู่นรกหรอไปตกนรกอายุสัตว์นกยืนกว่วอายุเทวดาบนสวรรค์ท่านกล่าวไว้ ได้รับทุกทนทรมานน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่อย่างนั้นนะออันนี้แหละมันก็เกิดจากตัณหาความทยานอยากซึ่งมีอวิชชาเป็นเพื่อนในทั้งนั้นเลยอมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้เมื่อบุคคลมาพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าตัณหาเหล่านี้ มันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิกลละมันเสียอธิษฐานใจละเว้นเลยเมื่อทันหาความอยากประเภทนี้ดับไปจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่มีนะออกุศลก็ดับไปจากจิตเมื่ออกุศลดับไปกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาแทนเพราะว่าคนเราเนี่ยมันทำบุญกุศลไว้ก็ทาบาปก็ทาอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเมื่อเห็นโทษของบาปแล้ว ละบาปให้ระงับลงไปแล้ววะนี้บุญกุศลมันก็โผล่ขึ้นมาในใจิตใจก็เป็นคนใจเยือกเย็นใจสบายอาอย่างนี้แหละเอ้าเมื่อตัณหาประเภทนี้ระงับไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ยังตัณหาประเภทกลางตัณหาความสำคัญว่าไอ้โลกนี้โลกน่าเป็นสุขสบาย แล้วทำบุญกุศลอันใดก็ขอให้ปาธนาก็ปาถนาขอให้ได้เป็นเท้าพยามหากษัตริย์ในประเทศสราดบอกหรือปาถนาขอให้ได้ไปเกิดสวรรค์เป็นเท ว, เทวดาอะไรอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นตัณหาประเภทกลางมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่เป็นบาปหรอแต่เป็นกรรมคือว่า บุญกุศลอันนั้นมันก็นําจิตให้ไปเกิดถ้าไปเกิดเป็นพระราชามกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากมาเข้าไปแล้วก็หวงก็ห่วงแบบนี้แต่หนี่เหนียวแน่นจะให้ทําบุญให้ทานก็ไม่ได้เพราะว่าตัณหานี่สิมันอยากอยากมีอยากเป็นนะเมื่อมันมีมแล้วมก็หวงแล้วแบบนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเรืงมานนะถ้าไปเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์ สวยสดงดงามหรูหรากปัวสมบัติอันเป็นของมนุษย์เอาก็ไปติดหวงแหนอะไรอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพนั้นเทวดาประเภทนี้ก็มีในสวรรค์อย่างนี้แหละอะ น, นี้เทวดาประเภทหนึ่งนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมได้ละเว้นกรรมอันชั่วทําบุญทำทานกราบไหว้คุณพระัตนากลย บำเพ็ญทางกีดใจแต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบันมูลกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็นําไปเกิดสวรรค์มาเนี้เมื่อไปเห็นสมบัติอวินทิพย์อย่างนั้นแล้วมันก็พิจารณาได้รู้ได้แม้สมบัติเหล่านี้จะเป็นของละเอียดปไปนี่บรรจงอย่างไรมันก็ไม่เที่ยง มันย่อมมีวันที่จะดับศูญสลายไปได้ยูไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปหาไม่ได้ตรวงก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เพิดเพลินไม่หลงไม่เมาในสมบัติอวิทริ์นั้นก็ตั้งใจภาวนาต่อในผู้ที่เคยภาวนาอยู่แต่เป็นมนุษย์แล้วในอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อผู้ภาวนาอยู่เป็นมนุษย์นี่แล้ว มันมองเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งส่วนหยาบและส่วนกลางและส่วนละเอียดใดๆอันรูปนามนี่นะหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันมันก็มองเห็นอยู่จนชินใจแล้วอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นอันนีนะ้มันก็เลยติดตามไปเมื่อไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนี่มันก็ต้องไปบำเพ็ญต่อเหมือนอย่าง พระอนาคามีท่านผู้ใดบรรลุอนาคามีตั้งแต่เป็นมนุษย์เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในสุทธวะพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อท่านไปเกิดขึ้นแล้วท่านก็บำเพ็ญเจริญภาวนานบำเพ็ญวิปัสนาญาณอยู่อย่างนั้นก็รเรื่องสมาธินั้นท่านมีอยู่แล้วพระอนาคามีก็เจริญวิปัสนาเพ่งพิจารณาต่อไป บางองค์ก็ถึงกึ่งกลางอายุก็สําเร็จพระนิพพานเลยก็ดับขันเข้าสู่ น, นิพพานบางองค์ก็ไม่ทันถึงกึ่งกลางอายุก็ได้สําเร็จพระนิพพานไปบางองค์ก็เวลาจเจริญภาวนาไปจวนจะหมดอายุสังขารจึงได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอย่างนี้ เพราะเหตุใดบ่จึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าพระอนาคามีท่านละการมสังโยชน์ต่างๆได้หมดแล้วไอ้การ ม, มาวิตกอะไรไม่มีดังนั้นจิตของท่านจึงสงบแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนั้นเมื่อสงบแน่วแน่อยู่ในท่านก็มีปัญญาอันสุ ข, ขุมละเอียดพิจารณานามรูปที่ท่านอาศัยอยู่นั่นได้บ่เนี้เอ่มันเป็นอย่างนั้น แต่ส่วนที่ผู้ที่ไปเกิดสวรรค์เป็นเทุตรเทวดานี่ก็ยังไม่พ้นจากกรามมคุณยังไม่พ้นจากกรามมวิตกยังยินดีพอใจอยู่ในกรมมคุณอย่างนี้นะแต่ว่าท่านผู้มีการอบรมบ่มอินทรีย์ไปแต่เป็นมนุษย์แล้วถึงจะมีก็มีน้อยเต็มทีกรมมวิตกนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างั้น แต่ผู้ที่มีแต่ทาบุญในทานรักษาสินเฉยๆไม่ภาวนาไม่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์เช่นนี้แล้วไปเกิดเป็นเทวรามันก็มีความกําหนัดกินดีในกามคุณเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอุบาสกวาสิกาเป็นพุทธบริษัทของพระเจ้าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ควรประมาท ควรจะบำเพ็ญจิตตะภาวนาให้เข้มงวดเข้าไปจนว่าทําให้กราร ม, มาวิตกทั้งหลายมัน ง, ง, งับลงเช่นนี้แล้วก็รักษาความสงบระ ง, งับอันนี้ไว้อย่าให้มันกําเริบขึ้นมาเมื่อเราพยายามรักษาความรู้ความเห็นว่าอจิตใจไม่วิตกไปในกรรมคุณแล้วอย่างนี้นะ ก็รักษาความรู้อันนี้ไว้รู้ว่าใจของทนไม่เกี่ยวข้องในกามคุณอย่างนี้ก็รักษาไว้เพราะว่าในขั้นนี้มันก็ยังเสื่อมได้อยู่เหมือนกันเนี่ยเว้นเสียแต่ได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นอนาคามีนูน่นหนอนั่นแหละไอ้กามวิโสคมันจึงละขาดได้แต่ถ้ายังไม่ทันถึงขั้นนั่นแล้วก็ มันสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิกามาวิตกทังหลายนะขั้นพอเผลอเผล อ, อ, อสติสมาธิมันเสื่อมมันถอนเดี๋ยวมันก็เกิดกามาวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่มากก็น้อยถ้าผู้มีสติสมัตยญากำกับอยู่เสมอมันก็รู้ตัวได้นะเมื่อรู้ทันทีรู้ว่าตนวิตกไปในทางไม่ถูกแล้วก็รีบสะกดจิตทันที กำหนดละอารมณ์ความคิดความนึกนั้นทันทีเมื่ออารมณ์นั้นดับลงไปอก็เจริญปัญญาสอนจิตเข้าไปให้มันเห็นโทษแห่งกรรมวิตกพยาบาทปี่ตกเวียงสาวิตกต่างๆโมนี่เข้าไปเมื่อปัญญาพ อ, อกจิตเข้าไปจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็จะคลายความกำหนดยินดีในกรรมทั้งหลายนั้นไปเรื่อย ครามกำนังยินดีก็ในกามทั้งหลายก็เบาลงไปเรื่อยเนี่การภาคเพียรพยายามลากกิเลสมันต้องมีสติสัพเพเนียคอยระวังอยู่นี่เสมอนะในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเวลาใดเราก็สอนใจให้มันรู้แจ้งเห็นโทษของกิเลสอันนั้นให้มันเบื่อหน่ายในกิเลสอันนั้นด้วยอำานาจแห่งปัญญา เช่นนี้มันก็ทำกิเลสนั้นให้เบาไปเรื่อยๆแต่ถ้าบุคคลประมาทเผ้อสติสัมปชัญญะแล้วอย่างนี้ปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วอย่างนี้จึงไปเพียรายามละมันเนี่ยมันยากแล้ววันนี้นะมันยากแล้วมันละไม่ได้ไง่ายๆแล้วต้องอาศัยเวลานา น, านบางทีมันก็เลยไม่ละไม่ได้ เหนื่อยแล้วก็หยุดกันไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีนี่แหละแต่ถึงอย่างไรผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้ามีปัญญาแล้วอย่างนี้นะก็สอน จ, จ, จิตแจงจนไม่ให้ท้อถอยพราะเราเดินทางมานี่มันถึงครึ่งทางแล้วนะเราจะไปถอยหลังกลับไปสู่ต้นทางอีกมันก็เหนื่อยแย่สิว่างัน้น เมื่อเราเดินมาได้ถึงครึ่งทางแล้วเราจะต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้เราจะไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้อย่างนี้นะเราต้องภาคเพียรพยายามไปอยู่อย่างนี้เมื่อมันเห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายเข้าไปแหละคนเรานะ่ะมันนอกจากมองเห็นร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้แล้ว แล้วก็มองดูสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัวนี่มันก็รวนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอยู่มากมายเอาเงินทองเนี่ยเมื่อเวลามีอยู่มันก็มีใช้มีใจก็สบายจริงอยู่เลแหละไปไปที่นี่เงินนั่นหมดลงลองดูซิแบบนี้นั่นแหละเดือดร้อนแล้วต้องดิบลนแสวงหาโดยความแสนยากแสนลาบาก ลาบยศสรรเสริญอะไรก็ดีเมื่อได้ลาบได้เมื่อได้ยศได้สรรเสริญเยินยอขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจอย่างนี้แหละคันเมื่อเวลายศหรือคาสรรเสริญอินทานั้นมันเสื่อมลงไปเอ้าก็เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วนี่แหละไอ้ปัญญามันต้องเพ่งพิจารณาเห็นเหตุเห็นผล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 นี่ันนี้นะก็ดำลิกอย่างดังกล่าวมานี่แหละถ้าเรียกว่าดำลิ่ชอบเมื่อดำลิชอบไปถูกทางไปอย่างนี้แล้วมันก็ปัญญามันความรู้มันก็สูงขึ้นไปก็อย่างว่าถึงกับได้เห็นเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละกะตันหาตัวเดียวนี่แหละครับอวิชชานี่แหละมันเป็นตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ให้ชีวิตอันนี้ท่องเที่ยวไปในสงสาร ขณนะา น, านับชาตินับพบไม่ทนเงีอยนั่นแล้วเมื่อมาละตัญหาความทะยานอยากละอวิชชาความไม่รู้นี่ออกไปจากกิจนี่ซะแล้วมันก็เห็นโทษในกามมาตัญหาภาว ะ, วะตัญหาวิภาวะตัญหาเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายไปเห็นโทษในการคลองเรือนว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรเห็นไปหมดแหละนั่น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 ผลแห่งกรรมดีที่ทำมันก็พาให้เวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกที่แต่มันก็จำเป็นต้องได้เวียน่หยในเมื่อบำเพ็ญกุศลยังไม่เต็มอันบุคคลผู้ประมาทนันนะ น, นเต็มเลยก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายบางชาติก็ประมาทไม่ได้ทําบุญกุศลเอาตายแล้วก็ไปทนทุกข์ในนรกอบายภูมิ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 ทำสัตว์ให้เนิ่นช้าเป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาตามนี้เมื่อผูใ้ใดใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะมันก็ไม่สะสมตัณหาแล้วก็พยายามตัดทอนความอยากให้น้อยบาวางลงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่เราทําบุญกุศลไม่ปรารถนาจะให้เป็นพระราชามกษัตริย์เป็นเศรษฐีอะไรไม่พาถนาให้เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมอะไรเลย เนี่การละตันหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดเข้าไปอา้าวไม่ปรารถนาอะไรหรือปรารถนาอยู่คือปรารถนาของอพ้นทุกพ้นภัยในสงสารซึ่งมีพระนิพพานเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยอำนาจบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้นะนี่กดอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะแล้วแล้วแล้วหมดเลยไม่ต้องไป ปัถนาอะไรตตออะไรให้วุ่นวายให้มันเป็นเครื่องคลองอยู่ในสงสารเพราะเมื่อบุคคลทำบุญกุศลแล้วตั้งกิจไว้ชอบตั้งความปัถนาไว้ชอบไปถูกอย่างว่านี่นะหากว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มบรรลุพระนิพพานไม่ได้ในชาติปัจจุบันบุญกุศลอันนั้นก็จะไปตกแต่งความสุขให้เองนะตนทำบุญมากน้อยเพียงใดบุญนั้นมันก็จะไปตกแต่งให้เอง ไม่ต้องปรารถนาถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงหละเมื่อไปเกิดมีสมบัติอันมากมาย ก, กายกองหรืออันละเอียดประณีต ด, ดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่หลงก็รู้แจ้งว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นั่นแหละนิรก า, ารเพียรพยายามละตัณหานี่สำคัญมากทีเดียวนะให้พากันพิจารณาให้ดีไอ้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ อยู่ไม่ได้ถึกออกไปก็เพราะอาศัยลุกอำนาจแกตันหาเพราะไม่ภาคเพียรพยายามละอวิชชาตันหานี่แหละให้พบวบางอภิจากกิจใจปล่อยให้ตันหาความอยากครอบงาจิตใจตาเห็นรูป ก, ก็อยากได้รูปนั่นหูได้ยินเสียงก็เพิดเพลินไปในเสียงนั่นอย่างนี้นะจมูกได้สูด ก, ล, กลิ่นก็รื่นเริงบันเทิงไปก็กลิ่นหอมหวนต่างๆ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 ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่มันอยู่ไม่ได้ขอให้เข้าใจผู้ใดถ้ามองเห็นทุกเห็นภัยสงสารดังพรรณนาให้ฟังมานี้แล้วว่ามันเกิดจากตัณหาอย่างนี้แล้วนะ่ะเราก็พยายามติตถามความเพียรสัมรวมในศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปและเจริญภาวนาสมาธิก ร, รมฐานเพ่งใจให้สงบระงับเข้าไปดังพี่ สแสดงมาแล้วนั่นนะ่ะเมืม่อใจสงบได้ที่แล้วอย่างนี้ก็อย่าไปสบวญแต่ความสุขอยู่ในความสงบนั้นอย่างเดีย ว, วยก็ต้องฝึกเจริญปัญญาพ้นคว้าเหตุผลของชีวิตให้รู้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพ่งพิณาเห็นโทษแห่งตันหาดังกล่าวมาแล้วเหมือนกันแหละตัหาอยากล่ารวยเงินทองเข้าคลองตัหาอยาก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 ควาบุญเก่านะั้นมันล่อยหลอลงไปแต่ร่างกายนี้มันก็สุดชมไปสุดชมไปควาบุญเก่านะ้หมดลงร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเราต้องค้นหาต้นเหตุของความเกิดอย่างนี้เหตุที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่มาตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันงนี่นะเมื่อเราค้นหาเหตุปัจจัยได้อย่างนี้มันก็บื่อหน่ายสิท่นนี้นะ เบือ่อนายอันความอยากนี่นะเบือ่อนายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเคนสารเนี่ยมันก็หายอยากแล้วไม่อยากเป็นเศรษฐีไม่อยากเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่อยากเป็นเทวดาอินพรหมอะไรเลยแต่ว่าถ้าบุญวาสนายังไม่เต็มบริบูรณ์มันเป็นเองมันก็แล้วแต่แต่ว่าในใจของผู้ปฏิบัติธรรมหากไม่ไม่อยาก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 ที่ใ้เมื่อผู้มีปัญญาได้รู้เท่าความอยากเหล่านี้แล้วนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะความอยากเหล่านั้นรู้เท่ามันนี่นะเพราะมันจาเป็นนี่ร่างกายนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจใจสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแต่การที่เราได้ประสิใจสี่มาแล้วเราก็บริโภคโดยโดยอาศัยการพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันในปัจจสี่นั้น ไม่บริโภคด้วยตันหาไม่ไม่บริโภคด้วยตันหานี่คือไม่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้จักประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายผู้มีเงินน้อยก็ไม่ทุกข์มากเมื่อเมื่อมีเงินน้อยเราก็ใช้จ่ายตามน้อยบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยกห บ, บริมทรัพย์เอาแต่พอรายจ่าย มันมีอย่าให้ใช้จ่ายไปเกินขวารายรับที่ได้มานี่มันก็พอบรนเทาความทุกข์ได้คนเรานะนี่แหละตัณหาเนะี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าพรนนาไปแล้วนั่นอมืมากมายกายคล้องจริงๆนะเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นเนะ่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งพากันพิจารณาโทษของตัณหานี่ให้มากมากทีเดียว ตัญหานในตําราพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนกับเถาวย่าปร้องแต่เถาวย่าพร้องสมัยทุกวันนี้มันจะหมดผันไปแล้วก็ไม่รูนะ้แต่ก่อนนั้นมีมากเลยอยู่ตามหนองน้ามันแผ่ออกไปเต็มหนองเลยว่าแต่น้ำมีไปทางไหนมันแผ่ลงไปมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างนั้นนะอันนี้ตัญหานีนเมื่อบุคคลไม่ละมัน บุคคลไม่ภากเพียรไม่ยามละมันให้น้อยเบาบางลงมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายเหลือที่จะพัฒ น, นาอาจจะมากกว่าเถายาพร้องนั้นไปซ้ำาเป็นอย่างนี้เมื่อหากว่าบุคคลนั้นอินทรียบารมียังอ่อนโยไม่สามารถจะละตัญหาส่วนละเอียดได้อย่างนี้ก็คอยพยายามละตัญหาส่วนหยาบ อันมันพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้มันระ ง, งับไปจากกิจใจให้ได้เช่นนี้แล้วเรพระนัว่าอยู่ในเกณฑ์ดีน ะ, อ, ะอยู่ในเกณฑ์ดีแหละเพราะผู้นั้นจะไม่ได้ไปตกนรกอบายภูมิในเมื่อละโลกนี้แล้วก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังที่ท้ายคาให้สินนะ ท, ที่ท่านผู้ให้สินจบแล้วแสดงอันนี้สงสินนะ นั่นแหละผู้มีศีลอมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลอมสมบูรณ์ด้วยโพคะสมบัติผู้มีศีลอมบรรลุถึงซึ่งบริพนได้นู่นน่ะศีนี่ส่งบุคคลได้ถึงบริพา น, นู่นนะไม่ใช่ของจำ่ำนะศีนนะเนี่ยเป็นความจริงทีเดียวแหละเมื่อบุคคลมีศีนบริสุทธิ์แล้วย่างนี้นะถึงแม้จะท่องเที่ยวไปเกิดตายไปในสงสารนี่ เกิดไปชาติใดก็เกิดดีนี่เพราะไม่มีบาปติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเอไปเกิดไปชาติใดอนินสงส์ศีลก็ตกแต่งความสุขให้ตามกําลังของศีล น, นั่นเองอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าคําว่าตกแต่งความสุขให้แนละ้วมันก็เป็นคำ ว, ว่าตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่นั่นเองโหดง่ายวันเถอะ จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยพระใจสี่ไม่ลําบากเกียจเก็นอย่างนี้อา น, นิสงส์ศีลนะแล้ววันนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปติดตัวแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นสีปน่ปานี้บุญกุศลก็มากขึ้นโดยลําดับไปเมื่อบุคคลละบาปอากุศลได้ในชาติหนึ่งหนึ่งแล้วสมมติว่าในชาติปัจจุบันอย่างนี้นะ แล้วเจริญภาวนาเห็นโทษของบาปกรรมนั่นจริงจังเลยไม่สร้างเหตุแทงบาปขึ้นคือความโลภโกรดหลงอะไรอย่างนี้ไม่สร้างขึ้นในใจต่อไปนะอา้าวชาติต่อไปมันก็มันก็ไม่มีสิ่งจะมาบรรดานให้ทําชั่วแล้ววันนี้มันก็เว้นจากกรรมชั่วอันนั้นได้อย่างนี้นะใจมันก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ส่งให้ มีความสุขความเจริญด้วยสติด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับบัดนี้เมื่อบุญกุศลมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็บรรลุถึงถึงพระนิพพานหมดทุกข์หมดยากในสงสาร